ถามตัวเองเสมอว่าแค่ไหนจึงเรียกว่าทำทานพอดีแล้วในเมื่อเราให้ไปแล้วยังต้องให้อีกเรื่อยๆอย่างนั้นหรอใจจริงไม่ใช่คนชอบให้อะไรใครที่เคยให้ให้ไปก็เพราะหันมาเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปแต่ก็ยังเป็นความเชื่อที่ไม่หมดความสงสัยไม่ได้เห็นผลของการให้แบบทันตาทันใจตอบ เพื่อให้รู้ว่าพอดีแล้วหรือยังเราต้องมาดูเป้าหมายของการทำทานตามอุดมคติของพระพุทธศาสนากันก่อนนะครับจุดใหญ่ใจความของทานคือเพื่อให้มีความสุขในปัจจุบันมีความสุขในอนาคตและมีความสุขที่ยั่งยืนแจกแจงได้ดังนี้ 1. เพื่อให้มีความสุขในปัจจุบันคือการทำลายความตรหนีที่เหนียว พุทธเราถือว่าความตรณีถี่เหนียวเป็นก้อนกรวดหรือก้อนหินโสโครกที่ขวางกระแสความสุขความสุขอันประเสริฐนั้นรินมาจากใจซึ่งเปลี่ยงความเมตตาการุณาหากเจอสิ่งอุดตันอย่างความตรณีขวางทางก็หมดสิทธิ์หลั่งรินมาทำความชุ่มช่ำให้ใจเราเป็นแน่คุณลองนึกถึงตอนจะเอาแล้วไม่ได้อย่างใจหรือนึกถึงตอนตัวเองเถียงหน้าดำหน้าแดง เพื่อยังสมบัติกับใครใจมันเปิดโล่งหรือคับแคบอึดอัดหรือสบายหายใจเข้าออกด้วยความทุกข์หรือความสุขแล้วถ้าตลอดทั้งชาติเกิดมาเพียงเพื่อให้รู้จักกับรสชาติของความหวงแหนชีวิตจะแร้านแค้นความสุขสักขนาดไหนสองเพื่อให้มีความสุขในอนาคตคือการสั่งสมบุญสั่งสมกรรมดี อันจะก่อให้เกิดผลหรือที่เรียกวิบากในอนาคตตการซึ่งอาจเป็นระยะใกล้ชนิดเห็นทันตาในชาติปัจจุบันหรืออาจเป็นระยะไกลที่ต้องรอดูกันยาวๆด้วยดวงตาของคุณในชีวิตถัดไปไม่ใช่ด้วยดวงตาในชีวิตนี้พระพุทธเจ้าตรัสเสมอว่าผู้ให้ทานเป็นนิดยอมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์และโลกมนุษย์อันมั่งคั่ง ห่างไกลจากความอดอยากและความอัตคัดขัดสนเนื่องจากบุญเป็นความสว่างเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญเป็นธรรมชาติที่มีหน้าที่ตกแต่งรูปสมบัติและคุณสมบัติอันน่าใคร่น่าพอใจคุณสามารถเห็นลางดีบอกอนาคตอันรุ่งเรืองได้จากหน้าตาและผิวพรรณในปัจจุบันยิ่งคิดเสียสละมากขึ้นเพียงใด ความผ่องใสก็ยิ่งปรากฏชัดเจนขึ้นเพียงนั้น 3. เพื่อให้มีความสุขที่ยั่งยืนคือการสร้างปัจจัยเกื้อกูลให้พบทางสู่นิพพานพระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานคือบรมสุขคือนอกจากมีรสอันเยี่ยมเกินรสใดๆแล้วยังไม่กลับไม่เปลี่ยนมาเป็นทุกข์อีกเลยการหมั่นให้ทานทำให้เราลดความหวงแหน ลดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรอะไรเป็นสมบัติของเราอะไรอะไรเป็นของที่จะเอาติดตัวไปได้เมื่ออุปาทานเบาบางลงระดับหนึ่งบวกกับการรักษาศีลและเจริญสติให้ถูกต้องตรงทางในที่สุดอุปาทานอันหนาเตะก็ถูกกระเทะให้ร่วงกราวลงได้หมดจิตเบ่งบานถึงขีดสุดด้วยการเปิดไปพบมหาอิสรภาพคือนิพพาน ไม่ต้องเวียนกลับมาทนทุกข์ทนร้อนกันอีกจากสามเหตุผลของการให้ทานตามอุดมคติของพระพุทธศาสนาดังกล่าวข้างต้นทําให้พระพุทธองค์ไม่ส่งสรรเสริญทานอันเกิดจากการฝืนใจทําชั่วครั้งชั่วคราวแต่พระองค์จะสรรเสริญผู้ที่มีความตั้งมั่นในทานหมายถึงการมีแก่ใจคิดให้ไปเรื่อยๆเป็นนิสัยเป็นความเคยชินเป็นธรรมชาติแท้จริง ที่ไม่ได้เกิดจากการฝืนใจหรือเล็งโลภหวังผลต่างๆนานาเมื่อรู้จักฝึกเป็นฝ่ายให้ได้ตลอดชีวิตนั่นแหละจะ ก, ก่อ น, นิสัยใหม่ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้าพูดง่ายๆให้รวบรัดคือเปลี่ยนแปลงตนเองจากความเป็นคนไม่ได้มีใจจริงที่คิดจะให้เป็นคนมีใจจริงที่จะให้อย่างไรก็ตามการทําทานที่พอดี คือทำแต่ละครั้งไม่รู้สึกว่าตนเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังไม่ได้กู้ยืมใครเข้ามาทำทานแต่ทำบ่อยๆจนรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องให้อย่างสมควรแก่ฐานะคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปให้แล้วยังมีกินมีใช้อย่างสบายการทำทานแบบไม่ลืมหูลืมตาเกินพอดีนั้นคือทาด้วยจิตที่เล็งโลภอยู่ว่าจะได้ผลตอบแทนมากมาย ยิ่งทำเกินตัวจ่ายรั์มากหวังผลมากแบบนักลงทุนอย่างนั้นแทนที่จะได้ดีอาจกลับกลายเป็นได้ร้ายสวนทางเหตุผลของการให้ทานคือ 1. เป็นผู้ไม่มีความสุขในปัจจุบันคือสะสมความโลภวันวันคิดแต่เรื่องการลงทุนทำทานเพื่อให้รวยเร็วหรือเพื่อให้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงส่งเมื่อกระวนกระวายเล็งรับผลอยู่ ย่อมไม่เป็นสุขความเจริญย่อมไม่หายไปไหนซ้ำร้ายอาจพอกพูนขึ้นกว่าเดิมเห็นได้จากการที่บางคนทำบุญด้วยการกะเกณฑ์ว่าบุญกองนี้เป็นส่วนของฉันเท่านั้นห้ามใครยุ่งเกี่ยวห้ามใครมามีส่วนร่วมนั่นสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่ายังขาดความเข้าใจเรื่องการแบ่งปันการมีน้ำใจต่อส่วนรวมอนันเป็นเป้าหมายแท้จริงของการเสียสละเป็นทาน 2. เป็นผู้ไม่มีความสุขในอนาคตคือสังสมบุญอันเจือด้วยความโลภแม้อนาคตตการเมื่อเกิดใหม่ในตระกูลร่ำรวยหรือได้เป็นพ่อค้าแม่ขายที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจแล้วความร่ำรวยนั้นย่อมกระตุ้นให้ละโมบโลภมากเนื่องจากเคยเล็งไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งทําบุญในอดีตชาติว่าขอให้รวยขอให้มีมาก หาใช้ด้วยน้ำใจสละออกเมื่อรวยและมีมากสมใจจึงไม่คิดแบ่งปันใครคิดเป็นแต่จะเอาเข้าตัวพอกพูณให้มากยิ่งขึ้นไปคุณลองหามาเถอะเศรษฐีโลภมากคนไหนบ้างที่เป็นสุขทางใจไม่ว่าจะมีกี่ร้อยกี่ล้านความจรี่และความละโมบโลภมากย่อมเป็นของหนักของดำของน่าเกลียดน่าอึดอัด ติดจิตติดใจเข้าไปทุกฝีก้าวเขาได้ชื่อว่าครอบครองสมบัติเพื่อเป็นทุกทางใจโดยแท้ 3. เป็นผู้ไม่มีความสุขที่ยั่งยืนคือสวนทางกับการสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้พบนิพพานเพราะจะพบนิพพานได้นั้นจิตต้องบริสุทธิ์จากกิเลสแต่นี้ทำบุญเพื่อบำรุงกิเลสผลแห่งบุญก็ย่อมมีความขัดแยง้ง มีความขัดขืนฝืนต้านไม่ยอมให้เข้าสู่ทางไปนิพพานได้เต็มตัวสรุปสั้นๆนะครับผลอันทันตาทันใจของการให้ทานที่พอดีคือความรู้สึกสบายใจในวันนี้และอบอุ่นใจกับวันหน้าตราบใดยังไม่สบายใจในวันนี้และยังไม่อบอุ่นใจกับวันหน้าก็แปลว่าคุณยังมีความไม่พอดีกับการทาทานนั่นเอง We. Thank you.